วันนี้เป็นวันที่5มกราคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถเขินแรมค่ำหนึ่งเดือนสองตามจรยิงเมื่อวันขึ้น15บห้าคำแต่ปักคานาของพวกเราตกวันที่หนึ่งตาม กำหนดหรือว่าเป็นสายรรมยุติการที่กายมาจากวัดปวจรกาหนดว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเมื่อวานยังไม่เต็มวันนี้เต็มและวันนี้ถือว่าเป็นวันอุโบสถพวกเราก็ได้ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้ วันอุโบสถคือวันสาธยายเรื่องศีลและวิัยพู้วิไนของพระทั้งหมดมีอยู่227สิกขาบทแล้วก็ได้สวดให้พวกเราประกาศให้พวกเราพอจบแต่ละครั้งในว่าตัสมาตุนใหเอวะเมตังธารายามิ ที่ข้าพเจ้าสวดปาราชิกมีอยู่สี่ข้อพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในสิก ข, ขาบทที่ผมสวดไปนี่ใช่หรือไม่ข้าพเจ้าฟังพวกพวกเราเนิ่งก็แสดงพวกท่านบริสุทธิ์แล้วข้าพเจ้าจำคำของท่านแล้วก็พูดสังขาทีิเศษสิบสาม แล้วก็อานยศสองในกนิสกียปาจิตี30ปาจิตี92ิปฏิเทชนิยะสเสขยวัติ 75. รวมแล้วเป็น220นับทั้งอาทิการณะสมถะเข้ารวมเป็น227รีเรียกว่าศีลของพระที่พวกเราสวด จบลงลงจากครูนี่เนี่ยเป็นศีลสอง้ยิแต่พร ะ, พระยุคสมัยใหม่มีพูดกันอย่างบอกพุทธวจนะจะตัดพวินัยของพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ไ 150, ร้อยห้าสิบหลืออะไรผมก็ไม่ได้สนใจเพราะมันดูดูไรไร้สาระ ทำไมจึงว่าไรสาระที่บัญญัติไว้เนี่ยสองยเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันหนักพวกหัวเทวทัตทั้งหลายอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่าง น, านั้นมีแต่กิริยามรารยาทที่สวยงามทั้งหมดที่มันมีอยู่แ น, น่นอน วัจนะหรือไม่วัจนะเนี่ยใครใครจะไปเกิดในยุคสมัยนั้นก็ไม่มีใครเกิดมีแต่คนต่างต่างคนก็ต่างเดาก็อันไหนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ก็น่าจะคงไว้ตัดถ้าตัดออกไปเสียกิยวัตรออกขนาดในพระขนาดทุกวันนี่ก็ยังดูดูก็ได้อย่างลุ่มล่ามพอสมควร ถ้าไม่มีเสกขยวัตมันจะทำยังไงมีต่อป ต, อตอไปก็คนนั้นตัดคนนี้ตัดใช่ยังเหมือนยูเอ็นพูดให้หลวงพ่อฟังอยู่ทางโน้นอยู่ทางซำเหนืออยู่ทางจีนอยู่ทางยู่นานไปดูซิโอยผมว่าเนี่ยต่อไปนี่พูดในพระไตรปิฎกว่า ผ้าน้อยห้อยหูน่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะว่าคารวะาพระเป็นคนกรรมการเป็นผู้บวชให้จะศึกกับศึกกับคารวะาไปกินเลี้ยงกับคารวาะไปไประชุมกับคารวาสัมมนากับคารวะาผมว่ามันหมดแล้วนี่แหละมันศาสนาหมดมันเป็นยังไงก็คือกฎระเบียบเนี่ยมันหมดศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตราของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้วนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ต่ยุคสมัยนั้นอันนี้จะวัดจัดว่าเป็นพุทธวจนะไหมคําอย่างนี้หรือว่าไม่ใชออ่ก็ไม่มีใครเกิดในยุคสมัยนั้น เราก็พูดตามอ้างอิงในพระไตรายปีดกที่มาพูดกันเพราะนั้นที่เราจะตัดจะทอนหลักพระธรรมวินัยสําหรับหลวงพ่อเองสำหรับผมเองผมไม่เห็นด้วยคงไว้อย่างนี้แหละดีแล้วมันก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนยิ่งอนยยศอนัยยศก็ได้ยินว่าจะตัดออกอีก อันยศแปลว่าภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองแทกที่คนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นทำสามอย่างปาราชิกสังฆาทิโสเศปปาจิตตีใคราว่าเขาโจดอาบัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างไรให้ปรับอย่างนั้นหรือขอจะขอพูดเฉพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นแล้วก็ ข้อสอพิสูจนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้าคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นทำสองอย่างคือสังขาริเศตปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาพูดเขาพูดเฉพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นให้ข้าว่าเป็นอามบัติที่ไม่แน่นอนไม่ตายตัวแค่ว่าโจทย์คือว่าเขาสงสยัยนี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่ง ให้มีสิทธิ์ให้เขาสงสัยผู้ที่เป็นบุคคลที่สามนี่อันนี้ก็คือพระพินัยของพุท ธ, ธะเพราะนั้นเรื่องพระพินัยเป็นสิ่งที่จาเป็นถ้าว่ากฎหมายบ้านเมืองก็าตามนะไม่ว่าชาติไหนลนะ่ะถ้ากฎหมายอ่อนแอคนในชาตินั้นนะ่ะทะเลาะกันเบาะแวงกันชิงดีชิงเด่นกันชิงไหวชิงพริบกัน แต่ว่ากฎหมายประเทศไหนที่เข้มแข็งใครผิดใครถูกพูดตามกฎกฎติกาที่ตั้งไว้คนในชาติเราก็อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎในระเบียบเมื่อคนอยู่ในกฎในระเบียบความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นๆถ้าว่ากฎหมายอ่อนแอประเทศใดกฎในชาตินั้น ต่อไปเหมือนจะเป็นหมาไม่ใช่หมาบ้านนะเป็นหมาป่าอีกเพราะหมาบ้านเน่ยยังมีเจ้าของหมาป่าเนะี่ยตัวไหนกลุ่มไหนใหญ่ก็กัดกันผลที่สุดในกลุ่มก็แย่งกันเป็นใหญ่อีกแย่งพักแย่งพู้่นกันไปอีกผลที่สุดน่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีธรรมวินยัยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยาก พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้ศึกษ า, าและก็ให้เรียนรู้ให้ปฏิบัติเพราะศีลและวินัยที่พวกเราสวดจบงลงงสักครู่นี้เป็นศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ที่ผมพูดกับเคยพูดกับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนหน้านี้ว่าเมื่อพระสงฆ์ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานพระสงฆ์ได้ไประชุมกันที่ทำสัตบัรณครูหาสามเดือนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานกับพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้หารือกันประชุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั่งไว้ว่าอาบัติหยุ่มหยิ ม, ยมอาบัติเล็กน้อยถ้าพวกเธอประชุมห า, หารือกันแล้วจะถอด จะถอดถอนออกก็ได้นะเพราะว่าอาบัตยุมหยิมเล็กน้อยน่ะให้พวกท่านประชุมกันหาหรือกันจะถอดถอนออกก็ได้แต่ในพระหมหากรสปะที่เป็นประธานสงฆ์ก็ได้หา <c oughs> ก็ได้หาหรือกับคณะสงฆ์พระล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันห้าร้อยรูปแตกฉานในปฏิสัมพิธาญานเกือบทั้งนั้น เลือกสรรเอาขึ้นมาเขาคงจะเลือกว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาทั้งคดีโลกและคดีธรรมตรงเป็นที่ยอมรับกันถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นที่ยอมรับกันจากนั้นก็เอามาประชุมทั้ง500 ร, ร้อยโรคนะพอประชุมกันแล้วเนี่ยพระมหากะัะสปะก็เสนอขึ้นมาเนี่ยอาบัตดหยุมหยิมอาบัตดเล็กน้อยรพระพุทธองค์บอกว่าให้พวกเราประชุมกัน แต่จะถอดถอนก็ให้ถอดถอนได้ท่านสั่งพระอนุ์ถามพระอนุ์ว่าท่านอนุนได้ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าอาบัหยุมมยิมเล็กน้อยนั้นได้หมวดใดหมวดไหนกลุ่มไหนสิ็คขาบทไหนที่ที่ว่าจัดว่ายุมมยิมพระอนุนก็เรียนกับคณะสงฆ์ว่ากับผมในช่วงนั้นจิตใจว้าวุ่น เพราะทราบว่าพระพุทธองค์จะปริญญาภายในสามเดือนข้างหน้าข้าพระองค์กระผมเองก็ไม่ได้ถามในรายละเอียดมีแต่พระพุทธองค์สั่งเท่านั้นก็รับรับท ร, ราบรับสั่งจากพระพุทธองค์ที่พระองค์สั่งไว้เท่านั้นเองกระผมก็ไม่ได้ถามทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าว่าอาบัตยุมหยิมอาบัตเล็กน้อยนะ่นอยู่ในกลุ่มไหนหมวดไหนพระเจ้าข้าผมก็ไม่ได้ถาม พระสงฆ์ก็ตำหนิพระอนุ์ว่าขาดตกบกพ่องน่าจะถามจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะแต่พระอนุ์ก็ยอมรับบอกว่าในช่วงนั้นจิตใจว้าเววิตกกังวลว้าวุ่นไปหมดเหมจับต้นจับจับต้นชนปลายไม่ถูกนะลักษณะนั้นนะจากนั้นพระมหากัตปาก็ยังให้คณะสงฆ์พิจารณาดูซิว่า อาบัดยุย่มหยิมเล็กน้อยนั่นนะกลุ่มไหนเนี่ยทางนั้นสมัยนั้นทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยรูปเรายอมรับไหมอยู่ในพุทธวจนะไหมที่ที่พูดมาเนี่ยแต่นี้พระมหาคสปาก็ถามพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายก็เอาไปพิจารณากันเป็นกลุ่ม กลุ่มนั้นก็ว่าควรจะถอดถอนจุดนั้นคนนี้ก็กลุ่มจะถอดถอนจุดนี้ผลีนสุดก็ไม่เป็นเอกฉัน อ, อันนี้คงจะไม่ใช่พุทธวจนะเพราะพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานไปแล้วนะอันนี้เป็นว่าสังฆวจนะเขาคงจะเป็นพระสงฆ์เป็นวาจาของพระสงฆ์ที่หารือกันจานั้นก็ไม่ตกลงไม่ลงรอยกัน พระมหากรรปะพิจารณาดูแล้วที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงค ล, งคลท่านปกครองสงมาโดยดีอยู่แล้วถ้าเราไปถอดถอนออกอาจจะเป็นรุ่มรุ่มดอนๆอน อ, อ, อาจจะไม่สม่ำเสมอใช่ดีในยุคนี้แต่ไม่ดียุคต่อไป เ, ออเพราะว่าการปกครองออมันอาจจะเป็นเป็นบุคคลเป็นยุคเป็นสมัยเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเนี่ยชอบทําแล้วพวกเราเอาไว้ตามเดิมคงไว้ตามเดิมดีไหมพระสงฆ์ทั้งหลายกัอนุโมทนาสาธุพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งห้าร้อองค์เอเ่อเซ็นด้วยถ้าพวกเราถอดถอนก็คงจะไม่สม่ําเสมอในพระวินัยของพระพุทธเจ้านจากนั้นพระมหากัตปะพระสงฆ์ก็เลยเอาไว้คงเดิม คือว่าศีลมาในพระปฏิโมกหรือศีลมาในอภิสมยัยฌานก็ไว้คงเดิมแต่ถ้าพวกเรามาถอนอีกขนาดศีลในพระปฏิโมกยังถอนหมดแล้วศีลอภิสมาจารเ่าจะว่ายังไงเถอะถอนหมดไม่ต้องมีแล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วอะอย่างนั้นใช่ไหมจากนั้นต่อไปพระก็จะผมยาวเพราะว่าอศีลอภิสมาจารานคือ ไว้ผมยาวไว้หนวดยาวไว้เล็บยาวเ อ, อมันอยู่ในศีนภิษมาจารย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสําหรับผมเองผมว่าเรื่องพ่อพินัยไม่ควรไปแตะไม่ควรจะแตะต้องเอาวางไว้อย่างนั้นแหละคงไวนะ้น่ะมันจะหนักหนักไข่หนักไข่ถามแลยที่หนักไข่หนักหนักหัวใจไข่ถ้าหนักหัวใจใครก็เอาถ้าจะทําก็ทํำเสียจะมาบวชทาไมเป็นคราว่าต์ก็ยังได้เ อ, อ จะทำยังไงก็ได้แต่อย่าวตัวเองเป็นพระเพราะตัวเองไม่อยู่ในศีลและวินยัยถ้าอยู่ในศีลและวินยัยตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก, วก็นั่นแหละควรจะปฏิบัติตามนะเพราะนั้นขอให้พวกเรานะฟังฟั ง, ฟงเอาไว้ศึกษาเอาไว้ถึงยังไงให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในศีลอยู่ในวินัยนั่นแหละเลิศประเสริฐถ่าว่าศีลพวกเรายังอยู่ในศีลและวินัยอยู่ มีแต่กฎกติกาหรือว่ากฎศีลคุ้มครองแล้วสวยงามอยู่ในสุุมชนสังคมใดอยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็ดูแล้วก็สวยงามาไม่ผิดไม่ออกนอกรู่นอกทางแต่ถ้าออกไปนอกรู่นอกทางนะสเิเสียขียวัดนะเราจะไม่ไมเวิร์กภาพไปนั่งในบ้านเราเห็นนะสเิเห็นพลาะนะ ถลกผ้าขึ้นบนบนไหลเดินไปขนลักแลบผ่านไปอยู่ในกลางตลาดมันเห็นแล้วมันสวยงามไหมมันดีไหมถ้าว่าคลองผ้าเป็นปริมูลทนดีไหมถ้าไม่มีเสกิ ย, ยวัตรเลยเนี่ยเป็นยังไงด้วนแล้วแต่มันไม่ดีมันไม่ดีทั้งนั้นะเอยมองแล้วไม่ดีเอเป็นเหตุว่าไม่ดีมากกว่าอันไหนดี วกาอยากจะถามเหมือนกันที่เอาออกไปแล้วมันดียังไงอ้างเหตุผลสี่ว่าหรือว่ามันเป็นแต่ว่าไม่ใช่พุทธวจะนะแล้วเขาออกเท่านั้นเองแล้วผลดีมันเป็นยังไงผลเสียมันเป็นยังไงมันน่าจะน่าจะอธิบายทั้งสองทั้งสองทั้งสองด้านนะถ้าว่าอธิบายให้ฟังแล้วเออ ม, มันก็ถาาว่าเราออกศีลออกไปเรื่อง ชีวิตของพระสงฆ์ก็ใกล้คลาวาสไปเรื่อยใกล้กับคลาวาสญาติโยมไปเรื่อยๆผลที่สุดมีแต่ผ้าน้อยห้อยหูอย่างที่ว่าคนโบราณเขาพูดนะจะกินเหล้าเมายาอะไรไปเที่ยวสัมมนาทางสำเนอที่หลวงพ่อได้ยินใหม่ๆมัดๆดูดูแล้วเรื่องวิัยนนี่หย่อนยานมากครับหลวงพ่อ มีแต่พระเมืองไทยของเราเนี่ยแหละอที่อยู่นั่งยังอยู่เห็นแล้วก็ยังอยู่ในวินยัยเนี่ยหลวงพ่อได้ยินแล้วก็อื ม, อมเมืองไทยก็จะตัดทอนพระวินัยออกอีกกําลังพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยๆฟังๆโดยแล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่สบายใจไม่สบายใจกับเกี่ยวกับที่จะตัดทอนศิลและวินัยของ พ, พระพุทธเจ้าออกนะอันนี้ วันนี้เป็นวันพระเราก็ได้พูดปลาลบเรื่องเกี่ยวกับวินยัยให้พวกเราทั้งหมดทั้ง30มสิบัวรูปเนี่ยสารูปที่นั่งอยู่นี้เนี่ยฟังนะฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาที่ว่าพุทธวจนะนั่นคืออะไรพวกเราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าศึกษา อ, อืหลวงพ่ออินเคยวิตกกังวลเรื่องเครื่องหนักใจหรือว่าท่านบอกว่าไม่น่าจะถอดถอดนั่นมันเป็นยังไง เราจะได้ศึกษานะเราจะได้เรียนรู้นะอันนี้นะการนี้ก็คล้ายๆแบอกเป็นแนวทางเอาไว้สําหรับพวกเราพราะเราเกิดมาในโลกเนะี่ยมันมีหูสองข้างใช่ไหมละ่ะฟังหูไว้หูอมองแล้วก็มองต า, น ห, นงตานหนึ่งตาหนึ่งเหลวไวสก่อนเรียกว่าตาหนึ่งเหลตาหนึ่งตานหนึ่งมองนะมีแต่ใจใจเดียวเนทะ่านั้นมันพูด เออมันคิดยังไงนะใจของอฟังไว้ออทําความสงสัยเอาไว้อย่าไปเชื่อทีเดียวให้ทําความสงสัยเอาไว้คําว่าสงสัยคํานี้แหละบอกเกิดแห่งปัญญาเนะี่ยถ้าอะไรมีตต่พูดออกมาก็เชื่อทั้งหมดรับทั้งหมดอันนั้นแปลว่าโง่นะโง่ โดยที่ว่าไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้คิดไม่ได้กันกรองไตรตรองถ้ารับมาฟังได้ยินมาแล้วเนี่ยสงสัยตั้งความสงสัยไว้ก่อนเอ๊ะมันจริงไหมมันถูกต้องไหมอย่างนี้นั่นแหละจากนั้นเราก็จะได้หาขุดค้นคุยเขีย่ยขุดค้นหาจดุดที่ไปที่มาว่าเป็นยังไงนั่นแหละเป็นบอกเกิดแห่งปัญญานี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเรานะได้ยินอะไรมาให้ฟังเอาไว้ แต่ขนาดภาษาริบุตรนะได้ยินจากพระพุทธเจ้าดูก่อนสาราบุตรที่ทศาคตพูดไปเนี้ยท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข้าพระ อ, อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระ อ, องค์ได้นําไปปฏิบัติดูแล้วข้าพระ อ, องค์จะกราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านี้ยขนาดภาษาลิบุตรท่านยังไม่เชื่อนะพวกเราฟังฟังเอาไว้อย่าไปเชื่อง่ายฟังเอาไว้ แต่ไม่ใช่แหยดันทุกลังอย่าไปหัวชนฝาให้ตั้งความสงสัยเอาไว้ให้พิจารณาให้รอบครอบก่อนที่จ ะ, ะเชื่อหรือจะฟังสิ่งไหนก็ตามนะต่อนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก